ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพักขีใช้ผ้าอาบน้ำไม่ได้ขนาดในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน6สมุดฐานละ